คุณภาพจิตของเราเนี่ยนอกจากกุศลธรรมศีลของผู้มีศีลย่อมกําจัดภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นได้ทุกเมื่อถ้าคนมีศีลเนี่ยนะตำหนิตัวเองไม่ได้เลยหาช่องว่าตำหนิตัวเองเนี่ยไม่มีมีส่วนไหนที่เราไม่ดีเลยเนี่ยไม่มีก็บอกว่าเทวดายังหาเรื่องก็ได้บอกโหเทวดาเนี่ยมากล่าวตูว่าท่านเนี่ยไม่ดียังไงเนี่น โหน <ITA> ี่เรามีศีลขนาดนี้ยังเทวดายังหาช่องไม่ได้เลยเลยเนี่ยเหมือนกันพระบางองค์นั่นเป็นอย่างนั้นท่านท่นดีขนาดนั้นเหมือนันเทวดายังหาช่องตำหนิศีลของท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านติเตียนตัวก็ไม่ได้ผู้อื่นใคร่ครวนรอบคอบแล้วติเตียนไม่ได้นะแต่อย่าไปเอาคนพานเป็นประมาณนะคนพานเขาชอบเขาก็ชมเขาชังเขาก็แช่งอันแล้วต้องเอาบัณฑิตเป็นประมาณเ่างอนกันพระพุทธเจ้าท่านว่าไงเอาเนีเอาเป็นประมาณตรงนั้นถ้าพระเทวทัตว่ายังไงนี่มันจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน แล้วก็บอกว่าสิ่งอื่นซึ่งเป็นบันไดขึ้นสวรรค์ที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนก็หรือว่าศีลเป็นประตูเข้าไปยังพระนครคือนิพพานท่านทั้งหลายจงรู้อนิสงส์อันยอดเยี่ยมของศีลซึ่งเป็นมูลแห่งคุณทั้งหลายกำจัดกำลังแห่งโทษทั้งหลายดังกล่าวมาช่นี้โอ้น่ารักษานะวันนี้ใครรักสมาทานศีลแปดมังยกมือกันโอ้หลายคนเหมือนกันนะโอ้อาจารย์ติงเอาด้วยงนะั้น สาธุสาธุเอาอริยะศีลเนาะโอ้ฟังเรื่องคุณของศีลเป็นต้นเนี่ยเป็นอริยนนะศีลนะศีลเนี่ยมีหลายอย่างนะโคปาละกะอุโบสถอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของเราไม่ใช่แล้วนะวันนี้ฟังธรรมไม่ใช่โคปารกะแน่นอนไม่ใช่ว่าโอหไปถึงเวล า, าหารแล้วมาเถียงกันเรื่องอาหารในยานเนอันะเป็นโคปาละกะไม่ได้ต้องสนทนาเรื่องอริยะศีลใช่ไหมเป็นอริยะอริยะอุโบสถหรือกลับบ้านเจริญพรห ม, มิหารต่อเลยเป็นพรม เป็นพรหมอุโบสถเลยเนาะเป็นอริยะอุโบสถเป็นพรหมอุโบสถอุโบสถยังให้มีผลมากมีผลมากมายมหาศาลอันคนมีศีลเนี่ยนะเลือกเกิดได้นะถ้าระหว่างมีศีล น, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าขั้นทรงแสดงอา น, นิสงส์แห่งศีลอย่างนี้แล้วเพื่อทรงแสดงว่าอาศัยศีล น, นี้ย่อมได้สวรรค์นี้คนมีศีล น, นะจึงจะได้สวรรค์จึงตรัสสักขะคาถาในลําดับต่อจากศีล น, นั้นว่า ธรรมดาสวรรค์นี้หน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจมีแต่สุขส่วนเดียวเทวดานี่ไม่มีทุกขากายาวิญญาณปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดมะเร็งโรคเอด็ดมีสักอย่างในนั้นเนี่ยนะโอ้ดีจริงๆเลยเนาะฉันเทวดาทั้งหลายนี่ย่อมได้การเล่นในสวรรค์นั้นเป็นนิดนะะกีฬาเนี่ยก็บอกว่าของเราเนี่กระโดดไกลใครได้กระโดดได้หลายๆเม็ดเนี่ยเก่งมากเขาเหาะวะัดวัดไปเลยนะเขาสบายมากเลย อแล้วก็ได้สมบัติทั้งหลายเป็นนิดคิดดูนะสวรรค์บางบ้านเนี่ยเข า, ขาบ้านเขาเนี่ยเป็นทองคําทั้งหลังอย่างเงี้ยแก้วมณีทั้งหลังอย่างเงี้ยบ้านของเ ข, งขาเนี่ยขนาดนั้นนะของเราเนี่เอาอิดหินปูนทรายมาเรียงเลียงกันขาถีดน้อยโอ้โอเท่มากเลยงามนละ ท, นนนทําด้วยทรายเหมือนกันของเขาเนี่ยทาด้วยทองโอ้ต่างกันเยอะเพราะฉะ น, นัเราเทวดาชั้นจาตุม่มย่อมได้สุขทิพย์สมบัติทิพย์ตลอดเก้าล้านปี เขบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของชั้นจาตุมเท่ากับห้าสิบปีของมนุษย์เราสามสิบวันนับเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนนับเป็นหนึ่งปีแล้วก็ห้าร้อยปีทิพย์บวกลบคูณหารอายุมนุษย์เท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์อของเราตายเกิดเป็นมนุษย์ตายเกิดกี่ครั้งนะเขาเพิ่งตายครั้งเดียวเนี่ยนะเอาถามว่าของเรากะยุงเนี่ยยุงจะต้องตายเกิดกี่ครั้งเท่ากับเราหนึ่งชีวิตอย่างเงี้ยโอตายเกิดเกิดตายยุงเนี่ยนะ ตายเกิดเกิดตายเนี่ยศพเนี่ยอาะนั่งกระแป้งหนึ่งแล้วมั้งนะจึงได้เป็นเข้ากับมนุษย์คนหนึ่งเงี้ยเจ็ดวันอายุหนึ่งไงตายได้ขันหนึ่งแล้วนะศพได้ขันหนึ่งแล้วมนุษย์เพิ่งตายคนหนึ่งอย่างเงี้ยของเราเนี่ยนะตายเกิดตายเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกระดูกเป็น โ, โหกองพเนินเทินทึกแล้วนะหมดผักหมดหญ้าไปตั้งเยอะแล้วต่างกันเยอะนะแล้วก็ยังบอกว่ายังมีสมบัติในเทวดาชั้นดาวดึงก์เองนะสามโกดหกล้านปีอะ่ะ ก็คือสามสิบหกล้านปีนั่นเองเอาคิดดูนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของจาตุ่มเท่ากับร้อยปีของพวกเรานะเราเนี่ยมีชีวิตร้อยปีของเขาวันเดียวว่ะจนเขาคุยกันขำๆว่าโอ้มนุษย์ยุคนี้อายุเท่าไหร่ร้อยปีฮ่าร้อยปีเหรอเขาว่าเอาแล้วครับทาตัวยังไงอายุร้อยปีก็บอกโคเหมือนอายุหนึ่งอสงไขยอย่างนั้นเองทำตัวเหมือนไม่ตายสักคนเลยนะอยู่มาเขาบอกลืมตายหมดเลยนะอายุสั้นหน่อยเดียวเนี่ยนะลืมหมดเลย ก็าบอกว่าร้อยปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีอายุอย่างนี้เนี่ยนะหนึ่งพันปีทิพหนึ่งพันปีทิพเนี่ยนะมันเท่ากับสามสิบหกล้านปีของเราถ้าสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยเพิ่มเขามาอีกนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับสองร้อยปีของเราอายุสองพันปีทิพถ้าดูสิทนะโอ้สบายๆเลยนะดูสิทธ์เนี่ย วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับสี่ร้อยปีของเราแล้วเขามีอายุสี่พันปีทิพย์เพิ่มขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกนะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าหากว่าสวรรค์ชั้นปรินิมิตตวสวัสดีเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับพันหกร้อยปีของเราแลอายุหนึ่งพันหกร้อยปีทิพย์โอโ้ยาวมากแทบอมาตะของเขาเลยนะพองษ์ก็พูดถึงสวรรค์เนี่ยหมีความสุขอย่างนี้นะถ้าหากว่าพงษ์แสดงบางแห่งเนี่ยนะเอาเทพพบุตรมาลงมาเลย เทพบุตรลงมาแล้วก็มาคุยกันแล้วเทพบุตรก็จากไปใช่ไหมโอ้มนุษย์ก็ตื่นเต้นกันน่าดูเลยทําบุญกันยกใหญ่สมัยนั้นนะทำไมนี้ก็ได้แต่ฟังไปก่อนคือเขาบอกว่ากลิ่นของมนุษย์เนี่ยนะเหม็นตลอดร้อยยอดเขาไม่มาหรอกเดี๋ยวจมูกเขาเสียเป็นใส่น้ำหมดอนะ่ะจมูกเขาเสียหมดแน่แนละ้วเขาลงมาเนอะเขาไม่มาง่ายๆหรอกบอกเขาหน้าจะมาบ้างไม่มากลัวจมูกเสียอย่างนั้นกลิ่นเหม็นร้อยโยอด แล้วก็ทรงประกาศโทษอันต่ําซามเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าถึงสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์อย่างไรก็ตามความสุขเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวเหมงอนกันมันก็ไม่ได้สนุกอะไรจริงๆหรอกทั้งมนุษย์ทั้งสวรรค์ก็เป็นกามเหมงอนกันกามทั้งหลายก็เหมือนกับโครงกระดูกนั่นแหละมีใครกินอิ่มทั้คนทั้งหลายสวรรค์ชั้นไหนบางเราไม่เคยไปใช่ไหม เว้นสุท่าวาดเท่านั้นแหละที่เหลือไปมาหมดแล้วก็เหมือนกับความฝันนั่นแหะฝันว่าเคยได้เป็นพระอินทร์ชาตินั้นน่ะนะฝันว่าเคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชาตินั้นมาฝันว่าเคยเป็นราชินีชาตินู้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยไปได้งานอะไรก็เหมือนกับความฝันเหมือนกับของ ข, อ, งข อ, อยืมเข้ามานั่นแหละตอนที่ไปอยู่ในอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีความสุขเต็มร้อยเปอร์เซน์อะไรหรอกนะ ห, หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ เขาบอกว่าพระ อ, องค์ตัดอนุปุพิกถาก็เหมือนกับคนเอาช้างสงคฆา ม, มาอย่างดีตัวหนึ่งแล้วประดับประดาตกแต่งเรืงหัวจดเท้าหมดแล้วก็ตัดงวงทิ้งอันนะแต่งตัวให้ง่อมเลยนะแล้วก็ตัดงวงทิ้งเหมือนกันพระองค์ก็พูดถึงหูความเป็นไปของสังสารวัตชมสะพันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนกั น, น, นหมดแล้วเหมืนกันพระ อ, องค์เรานะโอ้โหสมัยก่อนนี้พระ อ, องค์เป็นพระเจ้ามาหาสุทัศนะเหมงอนกั น, น, น มีปร า, า 8, สาทแปดหมื่นสี่พันยอดมีเตียงแปดหมืนสี่พันเตียงมีโอ้ยไรแต่ก็หมดไปแล้วละว่างั้นไม่เหลือแล้วตอนนี้นะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่ได้มีความมั่นคงทาวแน่นอนอะไรหรอกสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับความฝันเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนกับของที่ยืมเข้ามาใช้แพ็กเดียวเท่านั้นแหละ มันกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เราเคยได้มานะยืมเข้ามาใช้ชั่วาควาบก็ค่อยๆดึงคื น, ท, นทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็หมดไปเรื่อย ấy. หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสแสดงเนคขมะว่าก็พูดแสดงถึงวิปัสนาแม้สวรรค์นี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรทําความยินดีด้วยอํานาจความพอใจในสวรรค์นั้นแล้วก็ตรัตธรรมกถาที่จบลงด้วยอมะตะก็คือประกาศอริยสัจจะทำ ขั้นแสดงธรรมแก่มหาชนอย่างนี้แล้วบางพวกโอโ้ถึงสารณะเลยอ่พุทธังสารนังคาชามิโอ้แจวแล้วว่างั้นที่พึงอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสวงฆ์ว่าเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนพวกเราเนี่ยนะได้อก็ย่างดีแล้วะบางพวกตั้งอยู่ในศีล์ห้าบางพวกของเราในสีห์แปดเลยนะ าบางพวกตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลนธ์สกทาคามีอนนาคามีบางพวกก็ตั้งอยู่ในผลทั้งสี่เลยแล้วก็บางพวกวิชาสามบางพวกอภินยาหกบางพวกสมาบัตแปดหลังจากนั้นพระองค์ก็ลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปอันนี้ก็กล่าวถึงเรื่องของว่าการให้ทานนั้นน่ะมีความสำคัญก็นับในหนึ่งบารมีซึ่งบารมีจริงๆเราจะเริ่มลงรายละเอียดก็ตั้งแต่อาทิตย์หน้าต่อไป เพราะว่าวันนี้เราก็ได้พูดถึงคําว่าทานกับศีลบารมีมาพอสมควรเนี่นะว่าทําไมจะต้องให้ทานทําไมจะต้องบําเพ็ญทานทําไมจะต้องรักษาศีลทามศีลนั้นมีความสําคัญในลักษณะนี้นะก็ยกตัวอย่างมาให้ดูตามในอัตถกถาพุทธวงศ์เชื่อว่ามะทุรัตถวิลาสินีท่านก็กล่าวถึงว่าพระทีปังกรนั้นทรงสแสดงอนุ ป, ปุพิกถ า, าแก่ชาวเมืองซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันตต่อไปอีก ย้อนเปในเรื่องศีล น, นิดนนึงนะครับส่วนใหญ่นั้นเมื่อพูดถึงเรื่องศีลนะะในพระไตรปิฎกนะรพระองค์จะสงเคราะห์ผู้ที่อยู่ในเพศนักบวชหรือเป็นสมณเพศนี่นะครับตอนนี้อย่างในฐานะผมเป็นคฤือหัดนี่นะฮะผมเองก็อยากจะบําเพ็ญศีลละบารมีเหมือนกันนะฮะก็รับเป็นหน้าที่ของเราด้วยจะต้องบาเพ็ญศีลละบารมีฮะตัวนี้ศีลของครือหัดนี่นะครับก็แตกต่างกับ เพศบัณฑิต น, นะครับแต่ว่าที่กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะมีศีลบา ร, รมีนั้นน่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่ศึกษาในจตุปาริสุทธิศีล น, นะครับได้แก่ปาติโมกขสังวรศีลอินสียสังวรศีลปัจจยสันสนิจศีลกับอาชีวปาริสุทธิศีลสีอย่างนี่หมายความว่าพระภิกษุมีพร้อมเลยนะปาติโมกขพระภิกษุก็มีอยู่แล้วจะต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับอินสียสังวรนะครับ ก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วโดยเฉพาะอินทรีย์สังวรนี่สําคัญมากถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรศีลอื่นก็เป็นอันว่ายากที่จะบริสุทธิ์อันที่สามคือปัจจะญสรรันนิสรรสรรสรรีนพระก็มีหน้าที่ที่จะต้องปัจเจกคือพิจารณาเมื่อเสพเสนาสนะเสพปัจจัยแล้วก็อาชีวบริสรรุทธิ์ศีลเนี่ยพระท่านก็มีอาชีพยอย่างเดียวคือสแสวงหาปัจจัยจากญาติโยมด้วยกําหนดไว้ในพระวินยัยใช่ไหมตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายนี่นะครับ เรื่องศีลก็มีแค่ศีลห้าใช่ไหมครับแล้วก็ศีลแปดนะหรือศีลสิบศีลแปดนี่นะครับจึงอยากจะตินถามท่านอาจ า, ารย์ว่าศีลห้าศีลแปดเนี่ยหมายถึงปาติโมคขะสังวรศีนใช่หรือไม่ก็คือเป็นปาติโมคของเครือขัดแปนะคือคําว่าปาติโมคเนี่ยนะหมายถึงศีลที่ทําให้ปิดอบายเนี่ยนะคือคําโมฆะอันนั้นแปลว่าพ้นอบาย แปลว่าพนวันศีลห้าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณธรรมของคารวะเป็นต้นถ้าศีลห้าไม่ได้มันก็อบายก็ปิดไม่ได้คือถ้าหากว่าอันนี้พื้นฐานว่าปิดอบายเฉยๆแต่ว่าถ้าจะพอกพูนคุณธรรมด้านอื่นๆไปอีกถึงเป็นคารวะศีลห้าได้แล้วแต่ฟังเพลงทั้งวันอย่างเงี้ยจะไปเจริญส ม, มถาวิปัสสนาได้อย่างไรใช่ไหมมันก็ยากแหละเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็มีความสําคัญแหละ ก็ศีลห้าไม่คาดหรอกแต่ว่าวันนี้เข้าแต่เทกออกแต่ไม่คลับหนึ่งเนี้ยมันก็มันจะไปเจริญสมถะอะไรสักอย่างนะเจริญมรณานุสตริรำไม่ออกแล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่ใคร่ครวญถึงประโยชน์ของปัจจย<ม>ัยสี่เป็นต้นเนี่ยนะ<ม>คือถ้าเราไม่รู้จักปัจจวิก ป, ปัจจัยสเนี่ยนะแม้แต่คารวะก็อยู่ลําบากนะถ้าเกิดไปต้องการซื้ออผ้าบางตัวเนี่ยนะทํางานได้เป็นแทบตายเอาเสื้อตัวเดียวนั่นแหละ ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของการใช้สอยเสื้อผ้าแต่อย่าลืมว่ากุศลศีลเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การเจริญกุศลชั้นสูงอีกเรกียกว่ากุศลชั้นอบรมจิตหรือเรียกว่าสมถะหรือการพิจารณาความจริงในแก่วิปัสสนาดังการรักษาศีลทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคือความไม่มีโทษนั่นเองใช้ชีวิตให้ไม่มีโทษนะก่อนเบื้องต้นก่อน คําว่ากุศลศีลก็ได้แก่สุดจริตทั้ง3ามฉันสา ม, มารถที่จะทําสุดจริตสามให้บริบูรณ์เมื่อเราทั้งหลายสา ม, มารถที่จะเจริญสุดจริตสามให้บริบูรณ์ได้แล้วเนี่ยนะทางกายทางวาจาและทางใจสุดจริตสามเหล่านี้ก็จะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลชั้นสมถะและวิปัสสนาต่อไปเพราะฉะนั้นศีลจริงๆก็ได้แก่สุจริตสานั่นเองเพียงแต่ว่ามาแตกรายละเอียดแตกลูกแตกหลานตามสมควรแก่เพศ ตามสมควรแก่ฐานนะไปตามนั้นไปด้วยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้มีความสุดจริตทั้งสามประการเป็นหลักเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดเนี่ยนะจาคะะตรงนั้นก็หมายถึงฐานนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าข้อความที่อื่นธารณาคุณของนิพพานก็จาโคปฏินิสโคนะมุตติอนาลโยพวกนั้นก็เป็นชื่อของของนิพพานก็จาระฆะเหมือนกันอันศัพท์ว่าจาคะนี่ค่อนข้างกว้างหน่อย ถึงทานก็ไม่ได้บ่งเฉพาะวัตถุทานใช่ไหมทานก็นับกว้างเหมือนกันเพราะทั้งธรรมทานและวัตถุทานอภัยทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่ยโอ้ทานก็เยอะเหมือนกันทานก็ขัดเหมือนกันขัดขณะนั้นน่ะขณะให้ก็ขัดหน่อยขณะนั้นให้บ่อยก็ขัดบ่อยคุณผู้ชมเป็นไงจเจริญพรมิหารแสดงว่าสปายะไม่ก็ได้นะ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 หวังเอาผลแล้วว่าจะเอาต้องให้มันได้เหมือนวันก่อนน่ะโอบางวันนี่คิดให้คนอื่นมีความสุขง่ายๆนะมเหมือ น, อนรีเจ็ปัเหมือ น, นนับนรีดเลถ <c oughs> ้าทิ้งไปนานๆอยาก <c oughs> กว่ามันจะสีเข้าที่านานนะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาการเจริญกุศลก็ลักษณานั้นนะสังเกตจากหลายครั้งเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยว่าถ้าช่วงไหนเราจเจริญกุศล กุศลจิตได้เกิดต่อเนื่องแล้วนะเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่นซึ่งมันมีเหตุต้องไปทําอย่างอื่นนะอ่าเวลามาเจริญวันหลังไม่เด็กเหมือนเดิมสักทีเลยนะบางทีเจริญไปก่อนลราห้อยหาแต่ของเก่าที่เคยได้นะนี่วันก่อนเราสบายกว่า น, นี้นี่เจริญดีกว่า น, นี้วันนี้ทําไมไมันจะดีเท่าวันนั้นเลยคํานึงถึงเวทานาที่เคยได้อ่นะคนํานึงถึงกุศลที่เคยผ่านมาด้วยอํานาจของตัณหาฉั้นคนที่เจริญเมตตาอะ เป็นปกติอัธยาศัยส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นโทษของโทรศั์เป็นหลักสําคัญที่สุดเลยว่าโทรศันั้นเกิดขึ้นนะั้นก่อความเสียหายให้แกเราอย่างไรบ้างเนี่ยนะทั้งทรัพย์สินก่อนนะถ้าเสียหายแบบธรรมดาทั่วไปในอาศัยโทรศัท์ทำให้เสียหายทรัพย์สินแล้วก็อาศัยโทรศัอันนั้นทําให้เราใจเสียเนี่ยนะเสียอาริยทรัพย์อย่างนั้นเลยเสียอริยทรัพย์เพราะโทรศันี้มากมายมหาศาล โกรธทีหนึ่งศรัทธาก็หมดทีหนึ่งโกรธทีหนึ่งสติก็ไม่มีแล้วโกรธทีหนึ่งปัญญาเป็นต้นก็ไม่เกิดโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งอกุศลจิตเกิดขึ้นทําให้เกิดทุกเกิดโทษเกิดภัยแก่ชีวิตตั้งล้ะอย่างด้วยกันพะอาศัยพื้นฐานมาจากโทสะอาศัยพื้นฐานมาจากอากุศลธรรมเหล่านั้นเมื่อเห็นโทษของโทสะอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาอนิสงค์ของเมตตาใช่ไหม ว่าเมตานั้นมีนิสงมากถ้าบุคคลสามารถที่จะเจริญให้สงบเป็นไปกับเมตตาจิตที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายได้จริงๆก็มีผลมากกว่าถวายทานเป็นข้าวร้อยหม้อเนี่ยนะหม้อใหญ่ๆเนี่ยนะการให้ทานถ้าหากว่าเราเจริญเมตตาเป็นนั้นโดยผลของเมตานั้นมากกว่ามากกว่าการให้ทานมากนะ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 หรือว่าหลังจากให้ไปแล้วก็รักษาใจค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเมตตาจิตที่เจริญด้วยความหวังประโยชน์เพื่อกูลจริงๆก็ตันหาและที่ถิก็ไม่อาศัยหวังประโยชน์หวังความสุขให้แก่สัตว์ทัางหลายจริงๆเมตตาสูตรบอกว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวเนี่ยนะที่เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันได้กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ก็มีเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปนในสัตว์ ลักษณะนั้นแหละซึ่งเอาโลกของเราเนี่ยนะเป็นพยานแห่งการเจริญเมตตก็ได้ถ้าตามนัยยะแห่งเมตสตุหรือว่าเอาตัวเราเองนี่แหละเป็นพยานแห่งการเจริญเมตตาว่าเราเกิดมาในโลกเราก็มาสแสวงหาความสุขเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทําไม่ให้ตัวเองเป็นสุขมากนะกน็ด้วยอํานาจของโทสะนั่นแหละไม่รู้ว่าทําไปทํามาเนี่ยมาสแสวงหาแต่ความทุกข์นะ อะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปสักอย่างหนึ่งนะถ้าโทรศส์มันเกิดเนี่ยอาหารนี่เคยอร่อยอาาร่อยก็หมดอาาร่อยทันทีเลยนะเพราะว่าน้ำลายก็ไม่ค่อยออกแล้วอาหารท้ารับประทานไม่อร่อยส่วนหนึ่งเพราะน้ำลายไม่ค่อยออกน้ำลายนะส่วนหนึ่งเป็นจิตแตชรูปด้วยอเมื่อน้ำลายเนี่ยเป็นจิตแตชรูปถ้าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอาหารที่รับประทานเข้าไปมันก็ไม่ค่อยมีน้ำลายออกมาเมื่อน้ำลายไม่ค่อยออกเนี่ยน้ำย่อยก็ไม่ค่อยดีแล้วน <c oughs> <dans S 1> ้ำลายเนี่ยช่วยย่อยไประถังปากไปแล้ว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 อุปาญาต์ขับแค้นใจพรางั้นอันมีทั้งความโศกมีทั้งความเศร้ามีทั้งความคับแค้นใจมีทั้งความพิไรรำพันพิลาบร่ำให้ออกมาสีหน้าท่าทางเป็นต้นเนี่ยโทสะเนี่ยเผาหมดทีมันทําให้จุกคอหายนั่นแหละข่าวกักเกลื่นไม่ค่อยลงหายใจก็ไม่ค่อยออกเหว่างั้นแล้วโทสะมันเกิดก็เผากุศลธรรมต่างๆที่เคยได้ ปัญญาที่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยฉลาดกว่า น, นั้นตั้งเยอะโกรธมาทีหนึ่งสติปัญญาก็ทุรพลค้าว่ากันถอนกําลังแห่งสติและปัญญาคนถ้าโกรธขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะปัญญาของเขาไม่รู้หายไปไหนหมดเคยมองเห็นอัจเคยมองเห็นทำเคยมองเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปขณะที่โทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยพลิกกลับไปหมดนี่มันจะบาปสักเท่าไหร่เชียวเห็นไหมเอาหน่อยนะไา้แล้วอกุศลก็เกิดขึ้น แล้วโทสะเนี่ยนะสําคัญส่วนหนึ่งก็คือมันมีมีปัจจัยที่เป็นอธิบดีด้วยนะปัจจัยที่เป็นอธิบดีของโทสะส่วนหนึ่งก็คือฉันทะอั้นคนนี่เวลาโกรธหรือเวลาไม่สบายใจเนี่ยตัวฉันทามันเกิดร่วมด้วยมันเต็มใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะเออมันเต็มใจที่จะเป็นในลักษณะนั้นนะแล้วก็พยาพิโตกก็จะหาอารมณ์ให้มันเป็นแบบนั้นหาเรื่องเศร้าๆแนวเดียวกันมาคิดให้มันเศร้าได้นาน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 ความเสียหายแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอาศัยคนพาลแต่ถามว่าทําไมเขาจึงพาลเพราะคนพาล น, นั้นประกอบไปด้วยกายะทูจริตวจีทูจริตและมโนทูตเจริตเฉพาะมโนทูตจริตคือพยาบาทเนี่ยนะพยาปาทะตัวนั้นเนี่ยมันพาให้ผิดธรรมอย่างอื่นไปด้วยก็เหมือนกับคนที่ผูกพยาบาทใครไว้สักคนหนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ หาเรื่องที่จะตามจองล้างจองพลันผูกเวรเนี่ยนะผูกเวรบางคนก็ผูกเวรเนี่ยข้ามหลายพบหลายชาติเลยเนะพระเทวทัตเนี่ยด้วยอำนาจแรงที่ผูกเวรต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเจอกันชาติใดต้องหาเรื่องให้ได้เห็นแล้วไม่รู้มึงไนมันไม่ถูกฉลกไม่ถูกจะตามไม่ถูกไปทุกเรื่องอะ่ะคือถ้าหากว่าทําให้คนนี้เขาทุกข์ได้แม่มันมีความสุขจริงๆโยมคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเนี่ยไม่ชอบใจคนคนหนึ่ง เขาบอกว่าวันไหนที่เขาทําความเสียหายให้กับศัตรูเขาเนี่ยเขามีความสุขจริงๆว่างนันมันสะใจเขามากเลยยิ้มอย่างมีความสุขว่างนันยิ้มแบบคนมีชใจว่ากันท่า น, นโทสะเกินจะเป็นลักษณะนั้นก่อความเสียหายต่างๆความเป็นผานอย่างอื่นก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอบายทุคติวินิบาศก็เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของของคนผานโทษอันนั้นทั้งหมดก็เกิดจากโทสะแล้วก็ต้องเห็นอณิสงของขันติ ถามว่าเห็นอนิสงส์อย่างไรก็คนที่ไม่โกรธเนี่ยนะเคยได้ยินนะอนิสงส์กี่อย่างนะความไม่โกรธเนี่ยอนิสงส์สิบเอดประการนะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติพิกษุนเสพโดยเอื้อเฟื้อแล้วทําเมตตาคือเสพนะให้อโทสัเจตสิกเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยให้มันเกิดได้บ่อยๆชาวนะเนี่ยเป็นไปกับเมตตามากๆบ่อยๆเนี่ยอบรมแล้วทําให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุดยานแล้วเป็นดุดยานก็คือทําให้คล่องเนี่ยนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขา อ, อุปมาคนขับรถม้าเนี่ยนะที่ชํานาญในการขับเนี่ยจะตะบึงเอาห่อไปทีท่ไหนก็สบายๆเหมือนกันสมัยนี้คนชํานาญในการใช้รถเนี่ยไม่แน่นะักที่เบรกเอียดเมื่อกี้วะเมื่อกี้ชํานาญมากมนะั่งขับเร็วหน้าดูเลยยมคนหนึ่งคนระับเบรกเอียดดังชํานาญหรือเปล่านะนานานะแต่ถ้าไม่ชํานาญนี่แย่ละ เพราะฉะนั้นถ้าทําให้เป็นดุจยานทําให้ชํานาญทําให้คล่องแคล่วแล้วก็ทําให้เป็นประดุดวัตถุคือเป็นที่ตั้งอนะนะตั้งมั่นได้แล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วพึงหวังอ น, นิสงส์สิบเอ็ดประการได้ถ้าสามารถทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้อ น, นิสงส์สิบเอ็ดอย่างเนี่ยสบายๆเลยดูในหน้าสิบเก้าเนี่ยจะมีอ น, นิสงส์สิบเอ็ดอย่างนะก็คือนอนก็เป็นสุขใครที่นอนไม่เป็นสุขเนี่ย<ม>แสดงว่าเมตตาขาด ขาดแคลนเมตตาและเกินเลยนอนไม่เป็นสุขอ่าตื่นก็เป็นสุขอใครที่ตื่นแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าขาดแคลนเมตตาไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายเรียกว่าไม่ฝันร้ายอย่างนั้นฮะข้อต่อไปก็บอกเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยใครจะไม่ชอบนะคนที่หน้าบูดหน้าบึ้งพูดทีเนี่ยคือถ้าโทรศัพท์มันเกิดแล้วมันไม่ได้อยู่แค่หน้าอย่างเดียวใช่ไหมปากแต่ละคำก็หนักเหลือเกินอย่างนะ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รักเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายอาบมนุษย์นี่ก็คือคือใครไม่ใช่มนุษย์อย่งนั้นเดน้อเ <c oughs> ดรชานก็อามนุษย์เหมือนกันนะคนมีเมตตาเนี่ยสัตว์รักนะม้าก็รักเออบ้านบางคนเนี่ยหมามาต้อนรับเลยนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยหมาเห็นหมายังกลัวเลย <c oughs> ก็บอกว่ารังสีอมมาหิดมองตามหมาเนี่ยหมาเนี่ยต้องหลบตาเพราะงั้นค่ะกลัวโธสังแรงขนาดนั้นนั้นก็เป็นที่รักของอา ม, มนุษย์ทั้งหลายคืออ ม, มนุษย์นั้นไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะนับตั้งแต่พวกผีก็ได้พวกเปรตพวกอะไรเป็นต้นก็เขาก็เมตตาเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนใจดีจริงๆคนดีอ่ะนะเรียกว่าคนดีพีคุ้มครองอย่างนั้นเถอะแล้วก็ข้อต่อไปก็เทวดารักษาเทวตารักขันติเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะดูแลปกป้องคุ้มครอง เหมือนกับที่พระองค์ตรัสไว้ในเมตสูตรใช่ไหมเมื่อหมู่มนุษย์ผู้มีใจดีทำบุญทำพลีอุทิศส่วนกุศลไปให้เหล่าเทวดาเพราะฉะนั้นขอให้เทวดาเหล่านั้นเนี่ยระลึกนึกถึงคุณของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ช่วยดูแลปกปักรักษามนุษย์ว่างั้นเถอะสัพเพหิภูตานิสาเมทะตัสมาหิเนรคธะอัควม ต, ตาว่างั้นจงช่วยดูแลรักษาปกป้องมนุษย์อย่าได้ประมาท ในการช่วยดูแลคุ้มครองอันถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเวลาทำกุศลเป็นต้นเราก็จะระลึกนึกถึงเทวดาอันคนที่มีเมตตาเนี่ยนะทานก็ให้ง่ายก็บอกว่าบารมีทั้งสิบประการเนี่ยนะเมตตาเนี่ยเป็นบุปภาคของสิ่งเหล่านั้นเลยวันก่อนอ่านเรื่องปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายเนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่นึ ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งสา ม, มารถอยู่ได้หนึ่งอสงไขยหนึ่งอางไขยเนี่ยยาวมากคือสา ม, มารถมีอายุเกินแสนปีได้อะพื้นฐานของมหาวิบากไหแต่ถามว่าทไมจึงอายุสั้นเพราะอุตุและโภชนะอาหารกับอากาศเป็นเครื่องบรรทอนชีวิตของมนุษย์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 เพราะว่าเทวดาบางพวกในเขาเรียกว่าอากาศสเทวดาพุ่มมานางเทวนงังสัตว์ทางสุตวามีเทวดาชั้นภูมธเทพชั้นอากาศเทวดาและสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นต้นมันก็จะเดือดร้อนไปจนทั่วทุกโหนทุกแห่งเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาที่มีบุญก็ตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ตายแล้วก็มีแต่จะไปอบายการสร้อยใหญ่ดังนั้นเทวดาก็ไม่เล่นสาทุกีฬาเหมัน ไม่สนุกไม่สนานไม่คลื่นเครงหมดเหี่ยวเช้าไปหมดมก็พาอย่างอื่นเดือดร้อนฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูการข้าวก็ไม่สุกเต็มที่ข้าวนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันเนี้นะแถวบ้านนี่เห็นเลยเวลาเกี่ยวข้าวส่วนหนึ่งนี่สุก ข, ข้าวส่วนหนึ่งนี่ไม่สุกในในกอเดียวกันนะสี่ห้าต้นเนี่ยจะสุกอีกต้นหนึ่งไม่สุกก็จะตั้งโดกําลังกําลังออกชอ่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวที่สุกก่อน แล้ววันหลังค่อยมาเกี่ยวแต่ถ้าเกี่ยวพร้อมกันเนี่ยถ้าข้าวไม่สุกดีเนี่ยเอาไปตากมันก็แห้งทีนี้ข้าวอันนั้นก็ไม่มีคุณภาพเพราะในข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยบางส่วนหุงแล้วสุกบางส่วนหุงแล้วไม่สุกพวกวิตามินเป็นต้นก็อ่อนละเพราะฉะนั้นสุขภาพก็ไม่ดีเมื่อสุขภาพไม่ดีก็พาอย่างอื่นวิบัติไปด้วยละสุขภาพไม่ดีอายุก็สั้นอากาศก็ไม่ดี เสียหายไปตามนั้นไปเรื่อยๆมนุษย์ก็อายุสั้นแต่ถ้าหากว่าอุตุและโพชนะที่ดีมนุษย์สา ม, มารถอายุยาวได้เป็นอสงไขยปีอย่างที่ว่าไปสงไขยปีก็คำว่าอาสงไขเนี่ยนะแปลว่านับไม่ได้ก็ตัวเลขเลขศูนย์ประมาณร้อยสี่สิบตัวแสดงว่าอายุจะยืนยาวได้ขนาดนั้นเป็นเรื่องที่แปลกนที่ในในโลกปัจจุบันนี้ผู้ที่มีอายุยืนยาวมากๆนะเป็นพวกชาวเขา ไม่ใช่ชาวเขาแต่เป็นคนที่อาศัยอยู่บนที่สูงอากาศก็ดีแล้วเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์มากนะ<ช>อย่งนงดีก็นมเนยนะฮะอากาศก็ดีแล้วก็อาหารเขาก็เป็นอาหารธรรมชาติคนที่อายุเกินร้อยนี่เป็นของธรมธรมดาธรรมดาโดยมากร้อยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปัจจุบันนี้ครับทำไมถึงพระพุทธศาสนาจึงได้พูดตรงเป๊ะเลยนะ ว่า อ, อยู่ที่อากา ศ, อ, ากาศอยู่ที่อุปตุกอาหารกับอาหา ร, รแค่หยับหยาบแค่นี้ยังมีผลขนาดนั้นนเลยมีผลต่อการ<ม>เป็นอยู่ของอายุมากอย่างโรคภัยไข้เจ็บนี้ตามประวัติในพ ร, รบางสูตรเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากการฆ่าสัตว์ของมนุษย์นะที่แรกแล้วมนุษย์อายุยืนในสมัยพระเจ้าโกากากราชเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดขึ้นแต่พอมนุษย์เริ่มทําปาณาติบาตโรคมันจะเริ่มระบาด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 แล้วก็ฝากฝังตราบาปอันนั้นไว้ให้คนอื่นรับช่วงคือคนเนี่ยถ้าคนบาปสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจากไปเนี่ยเขาไม่ได้จากไปแต่ตัวแต่เขาทิ้งอุปนิสัยทิ้งความไม่ดีให้บางคนเนี่ยนึกเยี่ยเอาเยี่ยงอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เจริญเมตตามากๆเหล่าเทวดาเป็นต้นก็จะดูแลรักษาเพรชีวิตของเรานะที่เราอยู่เป็นสุขทุกวันเนี่ยนะคนรักษาเราเยอะนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ คนที่คิดหวังประโยชน์เกื้อกูลเราก็ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยน ะ, ะยกตัวอย่างในข้าราชการบางกลุ่มเนี่ยดูแลสุขทุกข์ของประชาชนเนะเขาดูแลบ้านโน้นอยู่เป็นสุขบ้านโน้นอยู่เป็นทุกข์บ้านใดเบื้องในที่มีความทุกข์มากพวกเรานี่นอนไม่ค่อยหลับแล้วเดือดร้อนนะก็ต้องคอยดูแลปกปักรักษามนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลปกปักรักษาเราโดยที่เขาไม่บอกเราเนี่ยไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะไม่จําเพาะแต่คนรอบข้างเรา หรือคนอื่นๆอีกเนี่ยนะที่เขาหวังว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้หมู่มนุษย์ได้รับความสุขเนี่ยความคิดแบบนั้นเขาก็มีตั้งเยอะแยะกันคนที่มีความคิดในแนวนั้นก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีเมตตามากๆนะนะคนอื่นก็จะคิดปกตกรักษาคนอื่นก็จะคิดดูแลต่อไปไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีย่อมไม่กล้ามกลายเธอถ้ามีเมตตาจนได้ระดับฌานไฟก็ไม่ไหม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 อย่างนี้ชื่อว่ามีสติไหมมีไหมสติเป็นไปกับทานมีไม่ขนาดนั้นนะ่ะรู้ว่าจะตายนี่ทานนะกุศลสีลักุศลไม่ใช่มรณะสติบางทีตายแน่งานนี้่สีใจเลยทุกอย่างเดียว <laughs> ไปดีหรือเปล่าเนาะ <laughs> คือว่ารู้จะต้องตายเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้เป็นสติเสมอไปหรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่ารู้ว่าจะต้องตายแล้วไม่ได้ปารบจิตเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ สติอย่าลืมว่าสติเหมือนกับขุนคลังที่มาคอยเตือนซับเตือนช้าเตือนเย็นนะเออท่านมีทรัพย์เท่านี้นะถ้ามีสติขณะใกล้จะตายเป็นทรับข้อไหนอันี้เออรู้ว่าจะตายแล้วก็ไกดีแน่งานนี้เลยนะบุญเราทํำมาเยอะจะไปกลัวอะไรกับแค่ตายใช่ไหมมีบุญก็อย่างมาเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองสบายแน่คนมีบุญใช่นะคำว่าไม่หลงทากาละกิริยาครับบุญเยอะอะแต่ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยจะไปแล้วเหรออย่างเงี้ยเดือดร้อนน่ะ ก็เหมือนกับคนไม่มีเสบียงทางแล้วจะเดินทางอีกแล้วใช่ไหมไม่มีเสบียงทางอะไรสากอย่างเลยนะที lek, bizarre, ่ไปข้าง <cards> หน้ารู้ว่ากันดารแน่เดือดร้อนแน่มันเวลาข่าวว่าจะต้องเดินทางเนี่ยวันนั้นอ่ะคือวันที่เขาทุกข์ที่สุดเหมือนกันถ <and> ้าคนมีบุญเนี่ยเขาก็สบายแล้วก็เหมือนคนมีทรัพย์เนี่ยนะถ้าปารบการเดินทางเมื่อไหร่เขาก็สบายสบายเนี่ยนะเฉยๆเหมือนกันเถอะธรรมดาใช่เพื่อไปยังไงเขาก็ไม่เดือดร้อนไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวได้ด้วยสบายเลย นอนอยู่บ้านกันนอนที่อื่นเนี่ยก็นอนที่อื่นบางทีก็สบายกว่าอะไรกว่าบางทีใช่ไหมอากาศก็ดีอาหารก็ดีหลีกเลี่ยงการจําเจเป็นต้นอันนี้สําหรับคนมีทรัพย์ะนะจะไปที่ไหนก็สบายก็ ค, คนมีบุญว่า ง, งั้นคนไม่มีบุญเนี่ยจะเดินทางออกนอกบ้านทีนึ่งโอ้ไปยังไงเนี่ยขึ้นรถลงเรือยังไงเนี่ยไปกินที่ไหนนะมันก็คิดมันมีแต่ทุกข์ไปข้างหน้าหมดอะนะนึกแล้วก็หาความสุขไม่เจอการที่ปฏิสนธิหรือการเกิดในภพต่อๆไปก็ลักษณะนั้นแหละ อันคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะหาความสุขค่อนข้างยากนะในชีวิตเนี่ยยิ่งตราลบถึงความตายเมื่อไรความทุกข์ของเขาก็จะเบียดเบียนกลุ่มรุ ม, รมจิตมากมายขนาดนั้นอโอ้ทุกแน่แย่แน่ต่อไปนะก็บอกว่าเมื่อไม่รู้แจ้งธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเข้าถึงพรหมโลกถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าถึงพรหมโลกได้อันนี้ก็คืออันนี้สองของเมตตา ถ้าหากว่าเราเห็นอา น, นิสง์ทั้งสิบเอดประการนี้แล้วเราก็สา ม, มารถที่จะเจริญเมตตาได้ทำไมเห็นโทษของโทสะก็เห็นอา น, นิสง์ของเมตตาแต่ถ้าเห็นอา น, นิสง์ของเมตตาก็แปลว่าเห็นโทษของโทสะเพราะว่าคนที่ไม่มีโทสะเนี่ยนะไม่มีความโกรธก็คือเป็นคนที่มีความสุจริตทางใจอย่างบริบูรณ์คนที่มีความสุจริตทางใจที่บริบูรณ์ไม่มีความโกรธเป็นต้นเนี่ยนะปรารถ นิปั ส, สนาก็ง่ายเพราะจิตที่ไม่เป็นโทสะนั่นแหละเป็นสมถะ น, นะอะโทสะเนี่ยเป็นกรรมฐานประเภทพรหมิหารภาวนาถ้าใครสามารถพอกพูนจิตให้เป็นกุศลได้ต่อเนื่องบ่อยๆเป็นปกติเลยเนี่ยนะตั้งแต่เช้าจดเย็นได้เนี่ยคนเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะเจริญกรรมฐานไม่ยากนะเพราะมนุษย์เนี่ยนะ ท, ที่ที่มีสติปัญญา จำอะไรไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบาปอากุศลด้วยนะเกิดจากโทสะเป็นต้นเนี่ยนะคืออกุศล น, นั้นเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาทํากิจคือมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยในยะหนึ่งแล้วอีกในหนึ่งเนี่ยเข้าไปบันทรมหากุศลด้วยนะสมมุติถ้าเราโทสะอยู่ดีๆแล้วเนี่ยจะไปเป็นเมตตาสลับง่ายไม่ได้เพราะเวทนาที่เป็นโทสะจะใกล้เวทนาที่เป็นโทสะ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 เพราะว่ามหากุศลเนี่ยประณิทระดับสูงเนี่ยระดับไหนมหากุศลเนี่ยนะถ้าโดยญาณเข้าเป็นได้ถึงระดับโคตรภูยานเป็นได้โคตรภูยานเขามีนิพานเป็นอารมณ์ได้มหากุศลนั้นเป็นเป็นปัจเจกขณะยานก็ได้และมหากุศลเป็นสมาธิเนี่ยระดับอุปจารสมาธิเขาประณิทมากนะมหากุศลเนี่ยไม่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้น เ, เวทนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันไกลกัน เพราะอกุศลนั่นแหละเป็นตัวบรรทรเป็นตัวที่ไปทำลายม า, ากุศลให้ม า, หากุศลเนี่ยอ่อนกําลังลงดังั้นต้องพยายามที่จะเห็นอา น, นิสงค์ของความไม่โกรธเห็นอา น, นิสงค์ของเมตตาเมื่อเห็นอา น, นิสงค์ของเมตาก็เริ่มเจริญเมตตาภาวนาชั้นต้นเลยก็คือเจริญให้ให้เราก่อนนะเออวันนี้ใครคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างแต่กะเช้ามาเออนะขอให้พระสมบัติมีความสุขนะ มีป่าไม่ลูกเออมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันแสดงว่าเหมือนมีเลยเ อ, อ้เมื่อคืนมีหน่อยตอนเช้าวันหนึงกับวันนี้มานึกไม่ออกเลยคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าเออมตตายังนึกให้ตัวเองยังไม่ค่อยมีแล้วคนอื่นล่ะไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะตื่นเช้ามาก็เออคุณลุ่งออกับเจริญเลยนะขอให้คุณลุ่งมีความสุขนะอย่าได้มีเวรมีภัยกับใครๆเลยเหมือนกันอย่าได้ไปมีจิตเป็นเวรเป็นอาุศสนกับใครๆเลยมีความสุขความเจริญนะ เรียนธรรมะก็แจมแจ้งศึกษาอะไรก็คล่องแคล่วราบเรื่อนไปหมดความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเอาเข้าใจเอาอย่างนั้นปัญญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไงนะขอให้มีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่าได้ปวดหัวตัวร้อนอย่าได้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรไงก็ว่าไปเคยหรือเปล่าอ๋อเคยแต่พยันช น, นะอ๋าได้นะที่จริงแค่แค่เราเราตึกนะฮะแค่เราตึกเราท่องนี้นะฮะ แล้วก็มีอารมณ์ที่ปรากฏจริงๆมีสัตมีมีสั ต, สตเป็นอารมณ์จริงๆเนี่ยเช่นเช่นขับรถขับลาไปนี่นะถ้าเราตึกกับไม่ตึกนี่ผิดกันมากเลยนะคถ้าเราตึกนี่นะเออขับรถดีๆหน่อยนะระวังหน่อยนะเราเองเนี่ยพยายามขับเหมาเราก็ระวังไม่ให้ไปโดนเขาด้วยนะ แล<ช>้วผิดกับที่เราไม่ได้คิดนะครับเจริภานถ้าเราคิดนะขับรถดีๆหน่อยนะอย่ารีบรีบก็่งนรี่ไปไหนอย่างดีๆหลวงอันตรายนะลองท่องดูนะครับใช่ว่าผิดกันมากเลยกับที่เราเฉยๆเจริภานทั้งทั้งที่แค่ท่องนะใช่ใชแปลกจริงๆอวันลังเนี่ยนะตั้งเลยอ ว, วันนี้ขอให้เจริญธรรมะดีๆนะมานั่งเรียนธรรมะก็ให้เข้าใจมากๆนะอย่างเงี้ยคิดในตัวเองอย่างนั้นว่ะพอมาต่อไปนี่ก็ต้องคิดอย่างงี้บ้างเนาะ ออวันนี้ท่านจะบรรยายธรรมขอให้บรรยายดีๆนะขอให้พยายามบรรยายตามคำสอนเนอะนท่านนี้เป็นกรรมของท่านนะมันท่านพยายามทำเหตุแห่งความสุขเอากันแล้วกั น, ง น, นจงเจริญให้ตัวเองก่อนใช่ไหม